สอบถามเพิ่มเติมศูนย์สองห้าเก้าสองหนึ่งเก้าสามสามสถานพยาบาลการแพทย์แผานไทยประยุกต์ศูนย์รังสิตโดยวิทยาลัยการแพทย์แผานไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีให้บริการตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผานไทยหัตถ บ, บำบัดนวดเพื่อรักษาโรคนวดเพื่อสุขภาพนวดผ่อนคลาย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 パスガート・タ・メガハウステクノロジープルコノパープシウィン。 ตัวใจานี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการอังกฤษอาราวยดำเนินรายการโดยอาจารย์ชนกนาฏจีนศรีและอาจารย์พุทธนาฏสวัสดโยธินสนับสนุนรายการโดยคณะศสิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งมัน่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัตทิทางด้านการท่องเที่ยว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 ขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการอิงลิชเราอยู่อ๋ออากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรีด้วยระบบเอฟเอ็มความถี่แปดสิบเก้าจุดห้ามิเกรสคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตวันนี้พบกับดิฉันชนุกหนาจีนสีดิฉันพุทธนาสวัสดโยธินเราสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะรายการของเราออกอากาศในทุกวันพุธแล้วเราจะอยู่ประจำในเวลา ตีสีง่ตีสี่ครึ่งเป็นประจำทุกสัปดาห์วันนี้นะคะตรงกับวันพุทธที่สิบหกเดือนตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสองค่ะวันนี้รายการเอียงดิสอาราลยูของเรานะคะนำคำบอกรักภาษาอังกฤษนะคะมาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาใช้คำ ประโยคนะคะบอกรักต่างๆนะคะนอกจาก I love you แล้วเนี่ยยังมีรูปแบบอื่นๆนะคะที่ชาวฝรั่งเนี่ยเขาใช้กันค่ะแบบแรกนะคะ I adore you I adore you A G O R E นะคะนี่คือกริยานะคะ I adore you ก็คือฉันเนี่ยหลงรักคุณละค่ะ ประโยคต่อมานะคะที่ใช้ในการบอกรักได้นะคะ You feel my heart You feel my heart แปลว่าคุณเนี่ยมาเติมเต็มในหัวใจของฉันค่ะค่ะแบบต่อมานะคะ You are my missing piece You are my missing piece ก็คือคุณเนี่ยคือส่วนที่ขาดหายไปของฉันนะคะ Missing piece นะคะก็คือชิ้นส่วนที่หายไปนั่นเองค่ะค่ะ ประโยคต่อมานะคะเราจะบอกว่าคุณเนี่ยคือรักเดียวของฉันเลยนะคะก็จะใช้ประโยคว่า you are the only one for me อีกหนึ่งครั้งนะคะ you are the only one for me คือคุณเนี่ยคือรักเดียวของฉันเลยค่ะอันนี้ก็อาจจะเจอได้ในบทภาพยนต์นะคะ i am totally devoted to you i am totally devoted to you อันนี้นะคะจะแสดงอารมณ์ประมาณว่าตัวเราเนี่ย อุทิศรักของฉันของเรานะคะให้กับตัวคุณทั้งหมดเลยค่ะ devoted นะคะเป็นคำคุณศัพท์ค่ะแปลว่าอุทิศนั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะประโยคที่ใช้บอกรักได้นะคะ you are all I see you are all I see นะคะความหมายภาษาไทยคือคุณเนี่ยคือคนเดียวเลยนะที่ฉันเนี่ยมองอยู่นะคะ อ า, ะะอาจจะมีการเปรียบเทียบกับแสงไฟนะคะเป็นแสงสว่างในชีวิตของเรานะคะ You are the light of my lifeYou are the light of my life คุณคือแสงสว่างในชีวิตของฉันเลยนะคะ Light ก็คือแสงสว่างนั่นเองค่ะค่ะหรืออาจจะใช้ประโยคนี้ก็ได้นะคะ You are my everythingYou are my everything ก็คือคุณเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉันค่ะ ถ้าเราต้องการบอกเขาเนี่ยค่ะว่าฉันเนี่ยชอบคุณมากเลยนะเราจะพูดอย่างนี้ก็ได้นะคะ I admire you so much I admire you so much นะคะก็คือฉันชอบคุณมากค่ะ admire นะคะ a d m i r e นะคะก็คือชอบนั่นเองค่ะค่ะ No one matters but you No one matters but you นะคะความหมายคือไม่มีใครเลยสำคัญค่ะนอกจากคุณค่ะ I am falling for you I am falling for you อันนี้นะคะใช้เมื่อเราเนี่ยตกหลุมรักนะคะหรือว่าหลงรักนะคะ I'm falling for you เนี่ยก็คือฉันหลงรักคุณเข้าแล้วค่ะค่ะถ้าจะบอกว่าฉันชอบคุณนะคะอาจจะใช้ประโยคว่า I fancy you I fancy you ก็คือฉันเนี่ยได้ชอบคุณค่ะค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะสารภาพกับเขาเนะะี่ยค่ะว่าเราเนี่ยมองแค่คุณแค่คนเดียวนะคะคือเป็นการบอกรักนะคะเราก็จะบอกว่า I only have eyes for you I only have eyes for you ค่ะหรืออาจจะใช้ประโยคนี้นะคะ You make me feel young You makes me feel young ก็คือคุณเนี่ยทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอนเป็นสาวๆหรือตอนเป็นหนุ่มๆเลยค่ะรูปแบบต่อมานะคะ You are on my mind นะคะ You are on my mind ฉันมักจันนึกถึงคุณเสมอ mind ตรงนี้นะคะ M-I-N-D นั่นเองค่ะก็คือจิตใจนั่นเองนะคะก็คือระลึกถึงเขานั่นเองค่ะ ค่ะหรือเราจะบอกเพราะว่าคุณเนี่ยช่างแสนพิเศษเลยสำหรับฉันนะคะเราก็ใช้ประโยคง่ายๆว่า you are wonderful to me you are wonderful to me ก็คือคุณเนี่ยช่างแสนพิเศษสำหรับฉันค่ะถ้าจะชมเขานะคะว่าคุณเนี่ยน่ารักสำหรับฉันจังเลยนะเราก็จะบอกว่า you are adorable to me you are adorable to me adorable นะคะเป็นคำคุณศัพท์ค่ะ adjective นะคะ เอจโอร์เอบลี、G o R A B L e、นะคะคือน่ารักน่าทะนุถนอมน่าเอ็นดูนั่นเองค่ะค่ะเดีแล๋ยวอาจารย์บอกว่าคุณเนี่ยทำให้ฉันประทับใจนะคะโดยใช้ประโยคว่า you amaze me you amaze me นะคะทำให้ฉันประทับใจค่ะค่ะถ้าเราจะบอกความรู้สึกนะคะว่าฉันรู้สึกที่มีความสุขนะคะเมื่ออยู่กับคุณนะคะเราก็จะบอกว่า my feelings are overwhelmed by you อีกหนึ่งครั้งนะคะ My feelings are over half my you ค่ะคุณทำให้ชีวิตของฉันเนี่ยมีค่านะคะ You makes my life worth living You makes my life worth living ก็คือทำให้ชีวิตฉันมีค่าค่ะค่ะรูปแบบต่อมานะคะในการบอกรักนะคะเราจะบอกว่าคุณเนี่ยคือแรงบันดาลใจของฉันเลยนะ You are my inspiration You are my inspiration อินสปิเรชันนะคะก็คือแรงบันดาลใจค่ะดังนั้นประโยคนี้นะคะ you are my inspiration ก็คือคุณคือแรงบันดาลใจของฉันเลยนะค่ะหรืออาจจะบอกว่าคุณเนี่ยทำให้ฉันรู้สึกดีกับตัวเองนะเนี่ยนะคะจะเป็นประโยค ว, ว่า you make me feel good about myself you make me feel good about myself คุณทำให้ฉันรู้สึกดีกับตัวเองค่ะหรือจะเปรียบเทียบคนที่เราบอกรักอยู่นะคะเป็นดั่งสมบัติล้ำค่านะคะ You are my treasure, you are my treasure. คุณคือสมบัติล้ำค่าของฉันค่ะคำว่าสมบัติล้ำค่านะคะ treasure, t r e a s u r e, treasure ค่ะคุณคือจุดหมายของความรักของฉันนะคะคก็อาจจะใช้ประโยคว่า you are my object of affections, you are my object of affections นะคะก็คือคือจุดหมายความรักของฉันค่ะ ค่ะคุณคือหนึ่งเดียวของฉันนะคะ You are my one and only You are my one and only ค่ะคุณเนี่ยได้มาเติมเต็มให้ฉันนะคะก็จะใช้ประโยชน์ว่า You complete me You complete me คุณเนี่ยเติมเต็มให้ฉันค่ะค่ะในบทเพลงนะคะหรือภาพยนตร์นะคะอาจจะมีรูปแบบประโยคนี้มาก็ได้คะ่ะ I need you more than anything I need you more than anything ฉันต้องการคุณมากกว่าสิ่งใดค่ะค่ะหรือเอาจะบอกเขาไปเลยนะคะว่าคุณเนี่ยคือคนพิเศษสำหรับฉันนะคะใช้ประโยคง่ายๆเลยนะคะว่า you are special to me you are special to me นะคะค่ะรูปแบบต่อมานะคะ you are the air I breathe you are the air I breathe อันนี้ก็จะเปรียบเปรยนะคะว่าคุณเนี่ยคืออากาศที่ฉันหายใจนะคะอารมณ์ประมาณว่า ตัวเขาเนี่ยสำคัญมากนะคะถ้าขาดเขาเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เราก็จะตายนั่นเองค่ะ You are the air I breathe ค่ะประโยคนี้นะคะฉันเนี่ยได้ตามหาคุณเนี่ยมาทั้งชีวิตเลยนะคะ I, I have look for you my entire life อีกหนึ่งครั้งนะคะ I look for you my entire life นะคะฉันเนี่ยได้ตามหาคุณมาทั้งชีวิต เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับวิธีการบอกรักนะคะที่เราสองคนนำมาฝากคุณผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่ามีตัวอย่างค่อนข้างมากนะคะยังไงแล้วก็ลองเลือกนำไปใช้ดูนะคะว่าประโยคไหนนะคะคำพูดไหนที่เข้ากับตัวเรานะคะและสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเวอร์ไวท์เว็บดอทเดลี่อังกฤษดอทไอเอ็นดอททีเอชค่ะ เดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ฟังพักฟังเพลงเพื่อเพาะต่อสังสถานีแล้วกลับมาพบกับพวกเราในช่วงสุดท้ายของรายการ English Around You ติดตามฟังกันใหได้เลยนะคะรายการ English Around You สนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรี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 .rmutt.ac.th มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญญาบุรีขอเชิญชวนนักศึกษาบุคลาก่อนและพูดได้สนใจเขาร่วมโครงการฝึกทักษาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกล้าสือสารกับชาวต่างชาติแนะนำข้อมูลการศึกษาต่อและฝึกงานในต่างประเทศใน English Zone พร้อมให้บริการทุกวันอังคารเวลา12นาฬิการถึง13นาฬิกาที่ชั้น3สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแราชมงคลธั ญ, ญาบรุรีจังหวัดปฐุมธานีสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมที่02 549 3653ศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย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 ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02 592 1999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 กลับมาพบกันต่อในช่วงที่สองของรายการ English Radio อีกแล้วนะคะทางคลื่น FM แปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตในช่วงที่สองของรายการนะคะเรานำนะคะคำว่าเหงานะคะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ย น, ะะนอกจากคำว่า lonely นะคะที่แปลว่าฉันเหงาเนี่ยเราเนี่ยมีคำอื่นนะคะคำไหนบ้างนะคะที่จะใช้แทนคำว่า lonely ได้คะ่ะค่ะามาเริ่มกันที่คำแรกนะคะก็คือคำว่า empty empty นะคะ empty ว่า、e、ยนะคะซึ่งเป็นได้ทั้งคำคุณศัพท์แล้วก็เป็นได้ทั้งกริยาเลยะคะ่ะคำว่า empty นะคะเป็นคำศัพท์ทั่วไปที่เราใช้อยู่เป็นประจำแต่ บางคนเนี่ยอาจจะคิดไม่ออกนะคะว่าคำว่า empty เนี่ยเอามาใชในรูปแบบนะคะหรือต้องการที่จะบอกความรู้สึกเหงาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งคำว่า empty นั้นนะคะนอกจากจะแปลว่าเหงาแล้วนะคะที่เราใช้บ่อยเราก็จะใหความหมายกับคำคำนี้ว่าว่างเปล่านั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคนะคะถ้าเกิดเราต้องการใช้คำว่า empty นะคะบอกว่าว่างเปล่าเราก็จะแต่งประโยคว่า This house was empty except for a cat いいะะ This house was empty except cat house house was was for for a a คระยะป何だ ค่ะแต่หากนะคะว่าถ้าเราจะใช้ในความหมายที่แปลว่าเปล่าเปลี่ยวหรือว่าเหงานะคะเราเนี่ยก็สามารถนะคะใช้แทนที่นะคะ lonely ได้เลยนะคะแทนที่เราจะพูดว่า I just feel so lonely tonight นะคะแทนที่เราจะพูดว่า I just feel so lonely tonight ก็ให้พูดว่า I just feel so empty tonight I just feel so empty tonight แทนนะคะซึ่งก็แปลว่าในค่ำคืนนี้ฉันรู้สึกเหงาเหมือนกันนะคะ、mm hmm. เพียงแต่ว่าประโยคหลังเนี่ยอาจจะทำให้ฟังดูแลดูเก๋ขึ้นนะคะดูมีอะไรขึ้นมาแล้วก็ไม่ซ้ำซากจำเจนะคะเหมือนกับคำที่เราต้องใช้คำว่า lonely นั่นเองค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะใช่เอ็มชี่นะคะซึ่งดูพื้นๆไปนะคะเราก็จะใช้คำศัพท์ที่เหนือชั้นขึ้นมาในระดับหนึ่งค่ะนั่นก็คือคำว่า forlorn forlorn f o r l o r n นะคะ forlorn เป็นคำคุณศัพท์ค่ะคำคำนี้นะคะอาจจะใช้ในบทกวีสักหน่อยนะคะใช้ในบทกลอนนะคะวรรณกรรมเก่าๆค่ะแต่ ก็ยังมีคนนะคะที่ใช้ในภาษาพูดปกติได้อยู่เช่นกันค่ะซึ่งฟอร์ลอนเนี่ยให้ความหมายว่าโดดเดี่ยวเปล่าเปลี่ยวถูกทอดทิ้งนะคะหรืออาจจะบอกว่าไม่มีเพื่อนฝูงก็ได้ค่ะซึ่งในบริบทนั้นก็คือความเหงาที่เข้ามาเยอะนั่นเองค่ะตังตัวอย่างประโยคต่อไปนี้นะคะ Hey don't look so forlorn we are having fun อีกหนึ่งครั้งนะคะ Hey, don't look so forlorn. We are having fun. ประโยคนี้นะคะ、ぞどうぞどうぞどうぞมうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞะうぞどうぞกうぞどนぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞ o うぞどうぞどうぞどうぞどうぞ o うぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうงどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞะหぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどう What a far lon home อีกหนึ่งครั้งนะคะ Being home for Christmas for a far lon home แปลได้ว่าการได้กลับบ้านในช่วงคริสต์มาสเนี่ยเป็นความหวังที่ช่างริบหรี่เหลือเกินค่ะค่ะแต่หากเราต้องการจะพูดลักษณะของความเหงาใจนะคะเปลี่ยวใจเนี่ยเราก็อาจจะใช้คำว่าลอนสมก็ได้ค่ะลอนสม L O N E S O M E นะคะโลงเสริมซึ่งก็เป็นคำคุณนะศัพท์ได้เช่นเดียวกันค่ะให้ความหมายว่าเปลี่ยวใจนะคะหรือจะให้ความหมายในเชิงเหงาใจอ้างว้างก็ได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งคำว่าโลงเสริมเนี่ยจะชัดเจนกว่าคำว่าโลงหลีดังตัวอย่างประโยคต่อไปนี้นะคะ Are you lonesome tonight? Are you lonesome tonight? ประโยคนี้นะคะเป็นคำถามแปลว่าคืนนี้เธอรู้สึกเปลี่ยวเหงาหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งสื่อความหมายถึงความอ้างว้างเปลี่ยวใจได้ดีกว่าการที่จะถามว่าอะไรยูโรลลีทูนิชนะคะที่ฟังดูแล้วก็แค่ให้ความรู้สึกว่าเหงาเฉยๆนั่นเองค่ะค่ะถ้าเราถ้าเรานะคะอาจจะพูดถึงคนที่ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมนะคะ ถ้าเราจะพูดถึงคนนี้ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมอาจจะชอบอยู่คนเดียวมากกว่านะคะแต่เจ้าตัวเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเหงาหรือไม่ก็ได้นะคะเราก็จะมาร์กใช้คำว่า non socialable non socialable นะคะซึ่งเป็นคำคุณศัพท์นะคะเป็นการบอกลักษณะของคนเหล่านั้นค่ะแล้เวมาดูตัวอย่างประโยกกันนะคะ John does not partake in social interactions because he is non-sociable けは、一ョンだけは、ジョン does not partake in social interactions because he is n o n s o c i a ンだけは、ジョンだけは、ジョンだけは、ジョンだけは、ジョンだけは、ジมンだけは、ジョンだけは、ジョンだけは、ジョンだけは、ジョンだけは、ジョンだけは、ジョンだけは、ジョンだけは、ジョンだけは、ジョンは、ジは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、 ในที่นี้นะคะจอห์นเนี่ยชอบที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าไปหาเพื่อนฝูงนะคะหรือไปเฮฮาปาร์ตี้เหมือนคนอื่นอื่นนะคะแต่เนี่ยก็จะรู้สึกเหงาๆนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะค่ะอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายคล้ายคลึงกับคำว่าเหงานะคะก็คือคำว่า thesolate thesolate d e s, s o l a t e thesolate เป็นคำคุณศัพท์ค่ะแปลว่า เปล่าเปลี่ยวอ้างว้างคำว่าเดสเลจนะคะใช้ได้ทั้งกับคนและสถานที่ค่ะถ้าพูดถึงคนนะคะจะหมายถึงคนที่ถูกทอดทิ้งแต่ถ้าเกิดเดสเลจไปใช้กับสถานที่นะคะจะมีความหมายว่าสถานที่ที่เปลี่ยวหรือร้างนั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคของการใช้คำว่าเดสเลจขยายสถานที่นะคะ The desert is a desolate place อีกหนึ่งครั้งนะคะ The desert is a desolate place แปลว่าทะเลทรายเนี่ยเป็นสถานที่รกร้างค่ะแต่ถ้าเกิดจะเอาไปใช้กับบุคคลนะคะก็จะมีความหมายเปลี่ยนไปค่ะดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะ She felt desolated when he left She felt desolated when he left แปลว่าเธอเนี่ยรู้สึกเปลี่ยวเหงาเมื่อเขาจากไปค่ะและอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งแปลว่ารกร้างและเปลี่ยวเหงาได้เช่นกันนะคะแต่มักใช้กับสถานที่นะคะคือคำว่า deserted deserted นะคะเป็นคำคุณศัพท์ค่ะ แปลว่ารกร้างนะคะถูกทอดทิ้งนะคะซึ่งไม่มีคนอาศัยอยู่นะคะหรือซึ่งว่างเปล่าค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ District was deserted after 10 pm อีกครั้งนะคะ District was deserted after 10 pm นะคะหมายถึงถนนสายนี้เนี่ยมักว่างเปล่านะคะวงเล็บไม่มีรถวิ่งนะคะหลังจากสี่ทุ่มเป็นต้นไปนะคะ หรืออีกประโยคหนึ่งนะคะ they will survey the deserted island นะคะแปลได้ว่าพวกเราเนี่ยจะสำรวจเกาะร้างแห่งนี้ค่ะในที่นี้ก็คือนะคะใช้อธิบายนะคะสถานที่ก็คือเกาะนั่นเองค่ะค่ะและอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจนะคะที่มีความหมายว่าเหงาเปล่าเปลี่ยวนะคะก็คือคำว่า isolated isolated อาจจะไม่ได้แปลว่าเหงาโดยตรงนะคะแต่จะแปลไปในความหมายที่ว่าโดดเดี่ยวว่างเปล่านะคะสันโดดค่ะซึ่งคำว่า isolated เนี่ยจะใช้กับคนหรือสถานที่ก็ได้ค่ะตัวอย่างนะคะ this school is extremely isolated แปลว่าโรงเรียนนี้ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวค่ะและถ้าเกิดว่าเราจะใช้ isolated นะคะไปขยายบุคคลนะคะก็จะได้ตัวอย่างว่า I think isolated in the most the person you world are 私はそれを見つけたのです。